Oh. Uh -huh. เมื่อถวายพระเพิงพระพุทธสรีระแล้วพระมหากรสปะได้ให้ประชุมสงฆ์ปารพบเพื่อทาสังายนาพระธรรมวินัยนัดหมายให้ทรงจํากันได้ว่ารมอันใดวินัยอันใดพระผู้มีพระภาคทรงสั่งและทรงสอนไว้ว่าอย่างไรทั้งนี้โดยคำนึงถึงคำกล่าวจ่วงจาบพระธรรมวินัยและพระาศาสดาของพิสุขชรลานามว่าสุพัท ท่านกล่าวท่ามกลางมหาสมาคมว่าดูก่อนท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลายสมัยเมื่อข้าพเจ้าเดินทางจากกรุงปาวามาสู่กุสินารานคร น, นี้มีภิกษุเป็นอันมากเป็นบริวารขณะมาถึงกึ่งทางข้าพเจ้าได้สะดับข่าวปรินิพานของพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายผู้เป็นปุถุชนยังมีอาสวะอยู่ไม่อาจอดกลั้นความโศกไว้ได้ ต่างก็ปริเวทนาการคร่ำครวญถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นส่วนภิกษุผู้สิ้นอาสบะแล้วก็ปรุงธรรมสองเวทแบบอริยชนแต่มีภิกษุนอกขอกรูปหนึ่งบวชแล้วเมื่อชรานามว่าสุพัทธะได้ ก, กล่าวขึ้นว่าท่านทั้งหลายอย่าเสียใจอย่าเศร้าโศกเลยพระสมณะโคดมนิพพานเสียก็ดีแล้วพวกเราจะได้เป็นอิสระ พระสมณโคโดกยังอยู่คอยจู้จี้ว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำคมคูขนาพวกเราทั้งหลายด้วยระเบียบวินัยมากหลายเหมือนจะเหยียดมือเหยียดเท้าไม่ออกบัดนี้พระสมณโคโดมนิพพานแล้วเป็นลาภของพวกเราทั้งหลายต่อไปนี้พวกเราต้องการทำอะไรก็จะได้ทำไม่ต้องการทำอะไรก็ไม่ต้องทำ ดูก่อนผู้ไม่ลหลงไหลในบ่วงมานพระมหากัสสปะกล่าวต่อไปความจริงสุภัฏะผู้ชราไม่พอใจพระาศาสดาเป็นส่วนตัวเพราะเธอไม่เข้าใจในพระผู้มีพระภาคเจ้าเรื่องมีว่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วสมัยเมื่อพระพุทธองค์เที่ยวจาริกโปรดเวในนิกรชนสเสด็จจากเมืองกุสินารานี้ไปยังเมืองอตุมาสมัยนั้น สุพัทธภิกษุบวชแล้วและลูกชายของเธอทั้งสองคนก็บวชเป็นสามเณรเมื่อพระศาสดาสเสด็จมาถึงเมืองอตุมาสุพัทธภิกษุก็จัดการต้อนรับพระพุทธองค์เป็นการใหญ่เที่ยวเป่าประกาศชาวเมืองให้เตรียมขัดฉะโภชนาหารถวายพระองค์และให้สามเณรลูกชายทั้งสองออกเที่ยวเรื่ยรายชาวนครนําเอาข้าวสารปลาแห้ง และเครื่องบริโภคอื่นๆอีกมากชาวบ้านผู้ศรัทธาในพระาศาสดาแม้จะไม่ศรัทธาในสุพัทธภิกษุก็ถวายของมาเป็นจานวนมากสุพัท ธ, ธะรวบรวมของได้เป็นกองใหญ่แล้วจัดการทำเองปรุงอาหารเองเตรียมการโกลาหนรุ่งขึ้นพระาศาสดาเสด็จออกบินทบาทตามปกติมีภิกษุตามเสด็จพอประมาณสุภัท ได้ทราบข่าวนี้จึงออกจากโรงอาหารถือทัพีด้วยมือข้างหนึ่งมีกายขมุกขมอมด้วยขมาไฟรีวิ่งออกไปตามพระศาสดาในละแวกบ้านเมื่ออยู่เฉพาะพระภักเขาคุกเข่าข้างหนึ่งลงและชันเข่าอีกข้างหนึ่งในท่ายองพรมประนมมือทั้งทั้งที่มีทัพีอยู่กราบทูลว่าพระผู้มีพระภาคผู้เจริญ ขอพระองค์เสด็จกลับเถิดอย่าออกบินทบาทเลยขัดฉะโภชนะอาหารข้าพระองค์ได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วข้าพระองค์อาศัยความเลื่อมใสในพระองค์เป็นที่ตั้งจึงโวนกวายเพื่อพระองค์แม้อาหารทุกอย่างข้าพระองค์ก็ปรุงเองทําด้วยมือของตนเองขอพระองค์เสด็จไปสู่อารามเถิดอาหารพร้อมอยู่แล้ว พระจอมุนีประทับอยู่ระหว่างทางทรงมองดูสุพัท ธ, ธด้วยสายเนธที่แสดงอาการตำหนิและทรงห้ามถึงสองครั้งในครั้งที่สามจึงตรัสว่ายาเลยสุพัทเธออย่ายินดีพอใจให้ตถาคตทำอย่างนั้นเลยการบินทบาตเป็นพุทธวงศอาหารที่ได้มาจากการบินทบาทเป็นอาหารที่บริสุทธิ์ยิ่งดูก่อนสุพัท ธ, ธ อาหารที่ทวยนาครผงเตรียมไว้เพื่อมุนีก็มีอยู่เรือนละนิดเรือนละหน่อยเมื่อกําลังแข้งของเรายังมีอยู่เราจะเที่ยวไปสแสวงหาอาหารด้วยปลีน่องนี้ดูก่อนสุพัทธะอาหารที่เธอทำนั้นไม่สมควรที่สมณะจะพึงบริโภคเป็นอกัปปิยโพชนะอันหนึ่งทางที่เธอได้อาหารมาก็ไม่สุจริต เธอไปขอของจากครืข h a r ซึ่งมิใช่ญาติและมิใช่ปวารณาคือเขาไม่ได้บอกอนุญาตไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมณะไม่ควรทำอาหารบริโภคเองดูก่อนสุภะแม้ไส้ของเราจะขาดสะบั้นลงเพราะความหิวเราก็ไม่ยินดีบริโภคโภชนะของเธอกรรมที่ไม่ถูกไม่ควรน่าตำหนิเธอได้ทำแล้ว อันหนึ่งเล่าดูสิอาการของเธอนี้เหมาะสมกับความเป็นสมณะนักถือวิ่งออกมาทาั้งทั้งที่มือถือทัพีอยู่จีวรก็ไม่ได้หมให้เป็นปริมนทนช่างรุ่มร่ามเสียเหลือเกินดูกนสุภธะ อย่านึกว่าเราไม่เข้าใจในเจตนาดีของเธอเรารู้และเห็นเจตนาดีของเธอแต่เธอทำไม่ถูกเจตนาดีนั้นก็พลอยกอ่อให้เกิดผลร้ายไปด้วยการเตรียมขัดชะโภชนาหารไว้ต้อนรับนั้นเป็นเรื่องของคลืหัดที่เขาจะทำกันถ้าเธอต้องการบูชาเราก็จงตั้งหน้าปฏิบัติ ต, ตามธรรมวินัยทาตนเป็นคนว่า ง, ง่ายและเลี่ยงง่าย เรียกว่าปฏิบัติบูบชาเถิดดูก่อนสุภัต t ะคนที่ปราศจากฮิริโอตปะมีความกล้าประดุดกามักจะมีชีวิตอยู่อย่างสะดวกสบายแต่ไร้ความสุขใจและภาคภูมิใจส่วนผู้ที่มีฮิริโอตปะสงบสงเวยมแบบมุนีเข้าสู่สกุลมิให้กระทบกระทั่งศรัทธาและโภคะของขลุหั์ เหมือนแมลงพึ่งเข้าไปในป่าดูดเอาน้ำหวานในเกสรดอกไม้แต่มิให้บุพชาติชอกช้ำนั้นย่อมเป็นอยู่ยากแต่มีความสุขและภาคภูมิใจพระตถาคตเจ้าตรัสอย่างนั้นแล้วเสด็จเลยไปโดยมิได้สนพัทัยกับสุพัทธภิษุอีกเลยพระสุพัทธะทั้งเจ็บและทั้งอายแต่พูดอะไรไม่ออก จึงผูกใจเจ็บพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาดูก่อนผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคมีพระไทยเป็นธรรมมาทิปไตยคือทรงถือความถูกความควรเป็นใหญ่อย่างแท้จริงแม้ใครจะทำอะไรอะไรเพื่อพระองค์ แต่ถ้าการกระทานั้นไม่ถูกต้องตามทํานองครองธรรมพระองค์ก็ไม่ทรงยินดีด้วยแต่การกระทาของพิสุบางรูปซึ่งในสายตาของผู้อื่นดูเหมือนจะเป็นการขาดความเคารพรักในพระาศาสดาดูเหมือนจะไม่ห่วงใยพระองค์แต่การกระทาอันนั้นถูกต้องตามทํานองครองธรรมพระองค์ก็ทรงอนุโมทนาสาธุ ก, การอย่างเรื่องพระธรรมารามเป็นอุทาหน ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพระมหากรสปะกล่าวต่อไปพระศาสดานิพพานเพียงเจ็ดวันเท่านั้นยังมีโมคะบุรุษกล้ากล่าวจู้จาพระธรรมวินัยและพระศาสดาถึงเพียงนี้ต่อไปภายหน้าภิกษุผู้ลามกมีจิตสามคิดว่าศาสนาปราศจากศาสดาแล้วพึงเหยียบย่ำพระธรรมวินัยสักปานใดเพราะฉะนั้น เราทั้งหลายจงประชุมกันเพื่อสังคายนาพระธรรมวินยัยตามที่พระศาสดาเคยทรงสอนและบัญญัติไว้ต่อจากนั้นก็มีการประชุมปรึกษากันว่าควรจะทำสังคายนานะที่ใด ในที่สุดตกลงกันว่าควรจะทำที่กรุงราชคฤืเหลือเวลาอยู่อีกเดือนครึ่งจะเข้าพรรษาที่ประชุมตกลงกันว่าจะทำสังขยาในพรรษาตลอดเวลาสามเดือนพระมหากระสปะพาภิกษุหมู่หนึ่งมุ่งไปสู่กรุงราชคลืพระอนุทระพาภิกษุอีกหมู่หนึ่งไปสู่กรุงราชคฤืเช่นเดียวกันส่วนพระอ น, น์พุทธอนุชา มีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเป็นบริวารเดินทางไปสู่นครสาวัตถีทุกคนทุกแห่งที่ท่านผ่านไปมีเสียงคร่ำครวญประดุษวันที่พระาศาสดานิพพานทุกคนมีใบหน้าชุ่มด้วยน้ำตากล่าวว่าพระคุณเจ้าอาณ น, นผู้เจริญท่านนำเอาพระาศาสดาไปทิ้งเสียณที่ใดเล่าคำพูดเพียงสั้นๆแต่กินความลึกซึ้งนี ทำให้จิตใจของพระพุทธอนุชาวันไหวและตื้นตันความเศร้าของท่านซึ่งสงบระงับลงบ้างแล้วกลับฟื้นตัวขึ้นอีกเหมือนโรคอันสงบลงด้วยฤทธิ์ยาและกลับกำเริบขึ้นเพราะของแสลงถึงกระนั้นท่านก็พยายามให้ความโศกสลดสงบระงับลงด้วยการน้อมเอาโอวาทของพระศาสดาประคับประคองใจ และแล้วก็ปลอบโยนพุทธศาสนกให้คลายโศกด้วยเทศนาอันกล่าวถึงไตรรักคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาแล้วเดินทางมาโดยลำดับจนกระทั่งลุถึงสาวัตถีราชธานีเข้าไปสู่เชตวนารามมีพุทธบริษัทมาแวดล้อมแสดงอาการเศร้าโศกถึงพระาศาสดาอีก พรอน์นพุทธอนุชาเข้าไปสู่พระคันธกุฎีที่พระผู้มีพระภาคเคยประทับมอบลงกราบที่พุทธอาจเก็บกวาดอาสนะให้เรียบร้อยตั้งน้ำดื่มน้ำใช้ไว้เหมือนอย่างที่เคยทำเมื่อพระาศาสดาประทับอยู่ประชาชนชาวสาวัตถีได้เห็นอาการดังนี้แล้วหวนคิดถึงความหลังครั้งเมื่อพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ สุดที่จะหักห้ามความตื้นตันและเศร้าหมองได้จึงหลั่งน้ำตาอีกครั้งหนึ่งประหนึ่งว่าน้ำตาข้างหนึ่งหลั่งไหลเพราะสงสารพระพุทธอุชาและอีกข้างหนึ่งเพราะคำนึงถึงด้วยความอาลัยรักในพระผู้มีพระภาคความอาลัยรักและความสงสารเมื่อรวมกันลองคิดดูเถิดว่าสภาพจิตใจของผู้นั้นจะเป็นประการใด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 เพื่อให้สรีระกระปลี่กระเปล่าขึ้นวันรุ่งขึ้นจากวันที่ฉันยาระบายแล้วสุภมานบบุกแห่งโตไทยพรามส่งคนมาอาราธนาพระอานนท์เพื่อไปฉันที่บ้านของตน พระอา น, นุ์ขอเลื่อนเวลาไปอีกวันหนึ่งโดยแจ้งให้ทราบว่าเพิ่งฉันยาระบายใหม่ๆไม่อาจเข้าสู่ละแวกบ้านได้อีกวันหนึ่งจึงเข้าไปสู่นิเวศของสุภาพมานบโตเทยบุตรพร้อมด้วยพระเจตกะสุภาพมานบถามว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อยังทรงพระชนอยู่นั้นทรงสอนเรื่องอะไรอยู่เป็นเนืองนิดพระพุทธอนุชาวิสัชนาว่า พระองค์ส่งย้ำหนักเรื่องศีลสมาธิปัญญาจุดมุ่งหมายแห่งพรหมจรรย์ น, นี้อยู่ที่ความหลุดพ้นจากกิเลสาสวะทั้งมวลส่วนศีลสมาธิและปัญญานั้นเป็นเพียงมักรหรือทางสำหรับเดินสุภามานพมีความเลื่อมใสในธรรมเทศนาของพระอานนท์จวนจะเข้าพรรษาพระอานนท์จึงจาริกสู่เบนจคีรีนคร เพื่อประชุมทำสังคายนาพระภิกษุที่ล่วงหน้าไปก่อนได้ขออุปถัมภ์จากพระเจ้าอาชาติศัตรูให้ซ่อมแซมที่พักสง์ถึง18แห่งและตกลงใจจะประชุมสังขยนาที่หน้าถ้ำสัตบัเชิงเวภาระบัญทศพระเจ้าอชาติศัตรูส่งรับเป็นศาสนูประถมภพโดยตลอดทั้งเรื่องอาหารและที่พักที่ประชุมพระเจ้าอชาติศัตรู เวทิบุตรส่งให้สร้างมนดบงดงามอัมภัยพระหนึ่งเนรมิตโดยหัตแห่งวิศวกรรมเทพประบุมีเสาฝาและบันไดจัดแจงเป็นอย่างดีอารามด้วยมาลากรรมและระดากรรมประเภทต่างๆ ง, งามชดชอยพระราชมนทีนสถานหรือวิมานแห่งเทพผู้มีสักมิปานได้เจอจ้าสง่ารุ่งเรือง พระหนึ่งจะรวมเอาความงามในโลกทั้งมวลมาไว้ในที่แห่งเดียวทรงให้ตกแต่งมณฑกเพิดพรายดังวิมานพรมมีเพดานทองประดุดคาบพวงดอกไม้อันมีกลิ่นหอมประทินใจลงมาบุพชาตินาน า, นาพันธ์หลากสีต่างมาชุมนุมกันณที่นั้น ภูมิสถานละลานแวววาวประดุษปูลาดด้วยแก้วมณีอันสุกใสเสร็จแล้วทรงให้ปูเครื่องราดอาสนะอันควรแก่สมณะมีค่าประมาณมิได้ห0 0รที่เพื่อภิกษุห0 0รรูปในมณฑบนั้นทรงให้จัดอาสนะแห่งพระเถระทิศทางด้านทิศทักษิณผินพักไปทางทิศอุดรทรงให้จัดที่ประทับสำหรับพระผู้มีพระภาคาศาสดา หันพระพักไปทางด้านบุรพาณถ้ำกลางบนดบนั้นเสร็จแล้วทรงประกาศแก่สงว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายกิตของข้าพเจ้าสำเร็จเรียบร้อยแล้วเรื่องต่อไปแล้วแต่พระคุณเจ้าเถิด เดวจะถึงวันประชุมสังขยาาแต่พระพุทธอนุชายังไม่ได้สำเร็จอรหัตผลคงเป็นเพียงโสดาบันภิกษุบางรูปได้เตือนพระอานุนว่าขอให้ท่านเร่งทำความเพียรพยายามเข้าเถิดพรุ่งนี้แล้วจะเป็นวันมหาสันนิบาตมีระเบียบว่าผู้เข้าประชุมทั้งหมดจะต้องเป็นพระขีนาศตั้งแต่เดินทางมาถึงเบญจกีรีนคร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 พระพุทธอนุชาทำความเพียรต่อไปท่านระลึกถึงพระดำรัสของพระศาสดาที่ประทานไว้ก่อนปรินิพานว่าอานนท์เธอเป็นผู้มีบุญที่ได้บำเพ็ญสั่งสมมาแล้วมากเธอจะได้บรรลุอรหัตตผลในไม่ช้าหลังจากเราปรินิพานแล้วพระพุทธดำรัสนี้ก่อให้เกิดความมั่นใจแก่พระอานนท์เป็นอันมาก และความมั่นใจอันนี้อีกเหมือนกันกระตุ้นจิตเราใจให้ท่านทาความเพียรอย่างไม่หยุดหยัง้งจนจะถึงกึ่งมัชิมิยามนั่นเองท่านคิดว่าจะพักผ่อนเสียหน่อยหนึ่งแล้วจะทำความเพียรต่อไปตลอดราตรีท่านจึงลงจากที่จงกรมล้างเท้าให้สะอาดแล้วทอดกายลงขณะล้มตัวลงศีรษะยังไม่ทันถึงหมอน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 ความรู้สึกปรากฏแก่ใจว่าความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทําในทํานองเดียวกันนี้ไม่มีอีกแล้วบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปพบทั้งสามคือกามา พ, พรูปประพบและอรูปประพบปรากฏแก่ท่านผู้บรรลุแล้วซึ่งอริยภูมิพระหนึ่งมีเพลิงโหมอยู่ทั่ว ได้ย่ำยีความเมาทั้งปวงแล้วได้นำความกระหายทั้งมวลออกไปแล้วได้ถอนอาัยในกรรมคุณอันเป็นที่อะไรยินดีอย่างยิ่งของมวลสัตว์ได้แล้วตัดวตะอันทาให้หมุนเวียนมาเป็นเวลานานได้แล้วตัณหาความดิ้นรนรานใจได้หมดสิ้นไปแล้วคลายความกำหนัดได้แล้วดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ทั้งปวงได้แล้ว ถึงแล้วซึ่งความเยือกเย็นอย่างยิ่งดวงจิตที่เคยเร่าร้อนดิ้นรนบัดนี้ได้อาบแล้วซึ่งทำโมทกอย่างเต็มที่ประหนึ่งหิมะละลายลงสู่ศิลาแท่งทึบซึ่งเคยถูกแดดเผามาเป็นเวลานานาภาวะแห่งผู้ป ร, รืองตนจากกิเลเสียได้เป็นอย่างนี้เองช่างประสบกับภาวะสงบเย็น ยังเต็มที่เสียนี่กระไรสงบเหมือนน้าในแอ่งน้อยซึ่งอยู่ในป่าลึกสดใสเหมือนหยาดน้ําค้างเมื่อรุ่งอรุณอบอุ่นปพระดุจแสงแดดเมื่อยามเช้าอะไรเล่าจะน่าปรารถนาของชีวิตยิ่งไปกว่านี้นี่เองที่พระศาสดาตรัสอยู่เสมอว่าพระนิพพานซึ่งสงบเย็นอย่างยิ่ง การสำรอกตันหาโดยไม่เหลือเชือ้อการสละและการบอกคืนตันหาการพ้นไปยังปราศจากอะไรในตันหาเป็นความสุขชื่นบานเกินเปรียบบุคคลผู้ใดบรรลุแล้วซึ่งทำอันประเสริฐคือพระนิพพานนี้ย่อมเป็นผู้มีความอดทนอย่างยิ่งต่อความเย็นร้อนหิวกระหายและสัมผัสร้ายอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดด และสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายเป็นผู้มีความอดทนอย่างยิ่งอดกลั้นได้อย่างสงบต่อถ้อยคําล่วงเกินถ้อยคำเสียสีคําด่าคําว่าของผู้อื่นเป็นผู้อดทนอย่างยิ่งต่อทุกขเวทนาที่เกิดจากอาพาธประเภทต่างๆอันเกิดขึ้นอย่างกล้าแข็งทําให้หมดความสําราญยากที่บุคคลทั่วไปจะทนได้ เป็นผู้อดทนอย่างยิ่งต่ออารมณ์อันมายุยวนเป็นผู้กําจัดราคะโทสะและโมหะได้แล้วอย่างเด็ดขาดมีกิเลสอันย้อมใจดึกน้ําฝาดอันตนสํารอกออกได้แล้วเป็นผู้ควรรับของขวัญควรได้รับการต้อนรับควรแก่ของที่ทายกผู้มีศรัทธาจะทําบุญควรเคารพกราบไหว้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 ในที่สุดวันมหาสังคายนาก็มาถึงเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาภิกษุล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ประกอบด้วยอภิญญาและสมาบัติห0 0รอรูปประชุมเป็นมหาสันนิบาตณนะ้าถ้ำสัตตบันเชิงภูเขาวเวพาระทงแผ่นผ้าสีกายะคือเรืองมนสะบัดพลิวตามแรงลมดูงามรุ่งเรือง เสียงเพรีสลับเสียงระฆังดังขึ้นเป็นสัญญาณว่าสงทั้งมวลพร้อมแล้วก่อนจะเริ่มมหาสังายนาพระมหากษัะประธานสงได้ตั้งปัญหาถามพระอนุนพุทธอนุชาในนามของสงว่าอา น, นุนเมื่อสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่เธอเคยเย็บหรือปะด้วยทุนผ้าสำหรับพระพุทธองค์ทรงใช้สงไม่ใช่หรือ ข้าแต่สงผู้เจริญข้าพเจ้าเคยทำอย่างนั้นพระอนุนรับในขณะที่เย็บหรือปะหรือชุนเธอใช้เท้าหนีผ้าของพระตถาคตใช่ไหมสงผู้เจริญข้าพเจ้าทำอย่างนั้นดูก่อนอุโสอนุนพระมหาตัสสะกล่าวในนามของสงสงเห็นว่าเธอกระทำไม่สมควร เธอไม่ควรใช้เท้าหนีผ้าของพระตถาคตข้อนี้เป็นอาบัติทุกกฎแก่เธอเธอจงแสดงอาบัติเสียพระอานุ์พุทธอนุชาลุกขึ้นนั่งคุกเขา่าประนมมือแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทําอย่างนั้นด้วยความจําเป็นการใช้เท้าหนีผ้าแห่งพระตถาคตแล้วเย็บนั้นจะเป็นเพราะไม่เคารพก็หามิได้ แต่เมื่อไม่ทําอย่างนั้นจะเย็บได้อย่างไรในเมื่อข้าพเจ้าทําเพียงผู้เดียวเท่านั้นข้าพเจ้ามองไม่เห็นความผิดของตนในข้อนี้แต่เอาเถิดท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอรบยิงเกรงในสงเมื่อสงเห็นว่าข้าพเจ้าผิดข้าพเจ้าก็ขอแสดงอบัตทุกกฎในเพราะเรื่องนี้อานนท์ยังมีอีกหลายข้อพระมหากระสปะกล่าวข้อหนึ่งคือ เมื่อพระตถาคตเจ้าทรงแสดงนิมิตโอกาสคือให้ในแก่เธอถึงส6ครั้งเพื่อให้ทูลให้พระองค์ทรงพระชนอยู่ต่อไปแต่เธอมิได้ทูลไว้ทรงเห็นว่าเธอกระทําไม่สมควรเป็นความผิดของเธอเธอต้องแสดงอบัตในเรื่องนี้ ท่านผู้เจริญทั้งหลายพระอนุนกล่าวเหตุที่ข้าพเจ้ามิได้ทูลอาราธนาพระาศาสดาให้ทรงพระชนต่อไปนั้นเป็นเพราะเวลานั้นข้าพเจ้ากําลังระทมทุกข์และกังวลถึงเรื่องอาพาธของพระาศาสดาไม่ได้เฉลียวใจในเรื่องนั้นข้าพเจ้ามองไม่เห็นความผิดของตนในข้อนี้แต่เพราะความยำเกรงและความเคารพในมติของสงฆ์เมื่อสงเห็นว่าข้าพเจ้าผิด ข้าพเจ้าก็ยอมและขอแสดงอบัตทุกกฎในเรื่องนี้อานนท์พระมาหากัสสปะกล่าวยังมีอีกคือเธอเป็นผู้ขนขวายให้สตรีเข้ามาบวชในพระาศาสนาเธอพยายามอ้อนวอนคมขีพระาศาสดาทาั้งๆที่พระองค์ทรงห้ามตั้งหลายครั้งว่าอย่าพอใจขนขวายให้ภิกษุณีเข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้เลยเธอก็ไม่ยอมฟัง พยายามขนขวายให้ภิกษุณีเข้ามาบวชจนได้ก่อความยุ่งยากในภายหลังมิใช่น้อยข้อ น, นี้เป็นความผิดของเธอท่านผู้เจริญทั้งหลายข้อ น, นี้เป็นเพราะข้าพเจ้าใจอ่อนทนดูสภาพของพระมหาประชาบดีโคตมีพระน า, นางแห่งพระทศพลเจ้ามิได้พระนางได้ปลงพระเกศามาแล้วมีร่างกายขมุขมอมบอบช้ำ สรงพิลาปรมพันธ์ยังเหลือลน้นปรารถนาจะบวช ด, ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าและเห็นว่าพระนางทรงมีอุปการะต่อพระาศาสนามากลน้นเขาพระเจ้าจึงขนขวายให้พระนางได้บวชและเมื่อพระนางเป็นภิกษุณีแล้วก็สามารถขจัดกิเลสบรรลุพระอรหันตได้ขขาพเจ้ามองไม่เห็นความผิดของตนในข้อนี้แต่เพราะความยำเกรงเคารพในมติสง เมื่อสองเห็นว่าผิดข้าพเจ้าก็ยอมและขอแสดงอบัตทุกกฎในเรื่องนี้อานุนยังมีอีกประธานสงกล่าวคือเมื่อพระศาสดาบรรทมณเตียงเป็นที่ปรินิพานพระองค์ทรงเปิดโอกาสทรงอนุญาตไว้ว่า เมื่อพระองค์นิพพานแล้วสิกขาบทเล็กๆนน้อยเมื่อสงพร้อมใจกันจะถอนสิบบ้างก็ได้เธอได้ทูลถามหรือไม่ว่าศิกขาบทเล็กน้อยนั้นพระองค์ทรงหมายถึงสิกขาบทอะไรข้าพเจ้าไม่ได้ทูลถามเลยท่านผู้เจริญพระ อ, อนุนตอบนี่ก็เป็นความผิดของเธอประธานสงกล่าวท่านผู้เจริญทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าไม่ได้ทูลถามถึงสิกขาบทเล็กน้อยนั้นเป็นเพราะข้าพเจ้ากลุ้มใจกังวลใจในเรื่องพระศาสดาจะนิพพานจนไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องอื่นข้าพเจ้ามองไม่เห็นความผิดของตนในข้อนี้แต่เพราะความยำเกงรงเคารพในมติสงฆ์เมื่อสงฆ์เห็นว่าข้าพเจ้าผิดข้าพเจ้าก็ขอแสดงอาบัติ านน์ยังมีอีกประธานสงก่าวคือในการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเธอจัดให้สตรีเข้าไปถวายบังคมพระพุทธสรีระก่อนสตรีเหล่านั้นร้องไห้น้ําตาเปื้อนพระพุทธสริระข้อนี้ก็เป็นความผิดของเธอท่านผู้เจริญทั้งหลายการที่ข้าพเจ้าจัดให้สตรีเข้าถวายบังคมพระพุทธสรีระก่อนนั้นเป็นเพราะ คิดว่าธรรมดาสตรีไม่ควรอยู่นอกบ้านจนมืดค่าข้าพเจ้าจัดให้ถวายบังคมพระพุทธสรีราก่อนเพื่อเธอจะได้กลับบ้านก่อนตะวันตกดินจะได้ไปหุงหาอาหารเพื่อสามีหรือมารดาสามีข้าพเจ้ามองไม่เห็นความผิดของตนในข้อนี้แต่เพราะความยำเกรงในสงเมื่อสงเห็นว่าผิดข้าพเจ้าขอขอแสดงอบัต ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาของคนโปรดปรานของผู้ยิ่งใหญ่เมื่อผู้ยิ่งใหญ่สิ้นชีพหรือลม้มลงเพื่อนก็จะเริ่มรังแกทั้งนี้เพราะตลอดเวลาที่ผู้ยิ่งใหญ่ยังคงยิ่งใหญ่อยู่จะไม่มีใครกล้าแตะต้องคนโปรดของท่านพระอาหนุนเป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งของพระาศาสดาเมื่อพระองค์นิพพานไปแล้วดูดูเหมือนว่าท่านจะถูกสงรังแกให้รับผิด ในถ้ำกลางมหาสันนิบาตแม้ในสิ่งที่ท่านไม่ผิดถ้ากฎที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงและกฎทุกอย่างมีข้อยกเว้นเรื่องพระอา น, นุลควรเป็นข้อยกเว้นในกฎนี้ที่ว่าดูดูเหมือนท่านจะถูกรังแกนั้นความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเรื่องที่สงลงโทษพระอา น, นุลพระมหากษัตให้พระอ น, นุ์ยอมรับผิดนั้นอย่างน้อยมีผลดีถึงสองประการ หนึ่งเป็นกุศโลบายของพระมาหากษัตปปพระเถระผู้เท่าที่ต้องการจะวางระเบียบพิธีปกครองคณะสงฆ์ให้ที่ประชุมเห็นว่าอำนาจของสงฆ์นั้นยิ่งใหญ่เพียงใดคำพิพากษาวินิจฉัยของคณะสงฆ์เป็นคำเด็ดขาดแม้จะเห็นว่าตนไม่ผิดแต่เมื่อสงฆ์เห็นว่าผิดผู้นั้นก็ต้องยอมเป็นตัวอย่างที่ภิกษุสงฆ์รุ่นหลังจะดำเนินตาม 2. เรื่องนี้ได้ส่งเสริมเกียรติคุณของพระพุทธอนุชาให้ก้องยิ่งขึ้นเป็นตัวอย่างในทางเป็นผู้ว่างง่ายเคารพยำเกรงผู้ใหญ่เป็นปฏิปทาที่ใครๆพากันอ้างถึงด้วยความนิยมชมชอบในพระอนุ์รวมความว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแก่พระอนุ์ในคราวประทมสังคยานานั้นทำให้เกียรติประวัติของท่านจับใจยิ่งขึ้น น่ารักเคารพยิ่งขึ้นเสร็จแล้วการสังคยนาก็เริ่มขึ้นโดยพระมหากรสปะเป็นผู้สักถามพระอุบาลีซึ่งได้รับการยกย่องจากพระาศาสดาว่าเป็นผู้เลิศทางวินัยได้วิสัชนาพระวินัยพระอา น, นุ์พุทธอนุชาวิสัชนาพระธรรมโดยตลอดสังขยนาครั้งนี้ทำอยู่สามเดือน จึงเสร็จเรียบร้อยด้วยประการชนนี้